แนะนำบทอัลฟาลักษ์บทอัลฟาลัก์เป็นบทมัคคิยา่างมีห้าองค์การในบทนี้ได้สอนมนุษย์ให้หันไปพึ่งและขอความคุ้มครองจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีและขอความคุ้มครองด้วยพระเกียรติและอำนาจของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดและความชั่วร้ายของเวลากลางคืนเมื่อมันมืดลงเพราะจิตใจจะต้องเผชิญกับความเปล่าเกลี่ยวในเวลากลางคืน และเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนพวกคนเสเพลจะ ก, กระจัดกระจายเพื่อหาเหยื่อของมันและขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกผู้เสกเป่าและผู้ฉาซึ่งบทนี้เป็นบทหนึ่งของสองบทที่ใช้ในการขอความคุ้มครองซึ่งท่านนาบีสุลต์ลอหุอื่นวะสลัมได้ใชใ้ขอความคุ้มครอง ด้วยสองบทนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอจงกล่าวเกิดมัวหมัดว่าฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อธิบาลแห่งยามรุ่งอรุก ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่ประโงทรงบรรดาลให้มีขึ้ น, น, นและความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลาคล่ำคืนเมื่อมันปกคนนาาลุมและจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปเมเงื่อ น, นอและจากความชั่วร้ายของความอิจฉา เมื่อเขาอิจฉา